หมอคนหนึ่งเธอเล่าให้ฟังว่าเคยเจอคนไข้คนหนึ่งเป็นผู้ชายก็อายุสักห้าสิบเห็นจะได้ติดเหล้าแล้วก็มาหาหมอคนนี้บ่อยมากเพราะว่าตับเริ่มจะพังแล้วแล้วก็ตำธาจะ แย่ลงไปเรื่อยๆนะหมอก็กำชับแล้วกำชับอีกนะว่าอยากกินเหล้าอยา ก, กินเหล้าต้องเลิกได้แล้วแต่คนไข้ก็เลิกไม่ได้สักทีแล้วก็มาหาหมอก็เพราะไอ้ความเจ็บป่วยที่มันสุดลงไปเรื่อยๆหมอก็พอเห็นคนไข้คนนี้ก็จะเริ่มหงดหงิดนะเพราะว่าเจอซ้ำซากด้วยปัญหาเดิมๆ สุดท้ายก็เลยถามว่าทำไมถึงยังไม่ยอมเลิกเล่าเสียทีแกก็ตอบว่าแกก็พยายามเลิกนะพยายามเลิกอยากจะเลิกให้ได้แต่ทำเท่าไหร่มันก็เลิกไม่ได้เสียทนะีแกก็เลยกลุ่มใจพอกุ่มใจก็เลยต้องหันไปหาเล่าอีกนะ ก็ก็นว่าเลิกไม่ได้ทีเพราะไอ้ความอความที่อยากจะเลิกเล่าให้ได้เนี่ยนะก็เลยทําให้ต้องหันไปหาเล่าทุกครั้งที่เลิกไม่สําเร็จฟังดูก็เหมือนว่าเ้าหาข้ออ้างนะคนเราบางคนที่ก็มีข้ออ้างนะข้ออ้างที่จะ ก, กินเล่านะหาข้ออ้างมาสารพัดจนแม้กระทั่งว่าอกุมใจเพราะเลิกเล่าไม่ได้นะก็ ไปหาเหล้านะอันนี้นอาจจะบ่งบอกถึงกิเลส ข, ของคนเราก็ได้นะเพราะว่าพอมันอยากจะกินเหล้าแล้วมันก็จะสรรหาสารพัดเหตุผลมาเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการกินเหล้าแต่ถ้ามองให้ดีเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่มากไปกันนั้นก็ได้ก็คือจริงๆเนี่ยเขาอาจจะอยากเลิกเหล้าจริงๆก็ได้นะ แล้วก็คงจะอยากเลิกเล่ามากทีเดียวพอมีความอยากจะเลิกเล่าเนี่ยนะแล้วก็หวังจะเลิกให้ได้พอไม่เลิกไม่ได้เนี่ยมันก็ผิดหวังมากยิ่งอยากยิ่งมีความอยากมากเท่าไหร่เนี่ยพอผิดหวังก็จะผิดหวังรุนแรงแล้วก็ทําให้เกิดความทุกข์ความเครียดสุดท้ายก็ต้องไปดับความทุกข์ความเครียดโดยเล่า อันนี้มันบอกอะไรเรานะมันก็บอกว่าเนี่ยยิ่งไปยึดติดอะไรก็ตามเนี่ยนะบางทีมันกลับส่งผลตรงกันข้ามเป็นเพราะความอยากจะเลิกเล่าให้ได้อยากจะเลิกเล่าจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ทำให้เขากลับมากินเหล้ามากขึ้นดูมันขัดแย้งกันนะอยากจะเลิกเล่าให้ได้อยากจะเลิกเล่าจริงๆแต่กลับกินเหล้ามากขึ้นเนี่ย แต่มันก็มันก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าความยึดติดเนี่ยพอยึดติดอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถจะทำให้เราสวิงกลับไปในทางตรงข้ามได้มีผู้ชายคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นที่เมือง น, นอกเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเขาจะเขาจะใส่ใจกับเรื่องการปลูกหญ้ามากปลูกหญ้าที่หน้าบ้าน หลายบ้านในเมืองนอกนี่เขาไม่มีรั้วนะแต่เขาจะาทำสนามหญ้าหน้าบ้านให้สวยและคนนี้แกก็เรียกว่าทุ่มเทกับการรักษาสนามหญ้ามากนะให้มันสวยเขียวก็จีไม่ใช่ปล่อยทิ้งเอาไว้อุตส่าห์ไปหาปุ๋ยนะนานาชนิดมาเพื่อที่บำรุงหญ้าให้มันสวยงามเป็นความภาคภูมิใจของแก่ แล้ววั น, น่ก็เพราะว่ามันมีตุนนะตุนเนี่ยมันไปอาศัยอยู่ใต้สนามหญ้ามันขุดรูอยู่แล้วพอมันขุดรูไปมากๆเนี่ยหญ้ามันก็จะไม่เรียบนะมันก็จะมีบางส่วนที่สุดนะเพราะว่ามันมีรูอยู่ข้างใต้แกก็เนื่องจากความรักความห่วงแหนสนามหญ้ามากแกก็ทนไม่ได้นะก็ต้องจัดการกับไอ้ตุ่นนี่แหละก็พยายามทําทุกอย่างนะ เอากับดักมาล่อนะแต่ว่าก็ไม่ได้ผลทํำยังไงทำยังไงก็ไม่ได้ผลเคยฉีดน้ํานะให้น้ําเนี่ยมันท่วมปล่อยน้ําท่วมรูตุนมันก็ยังอยู่ได้นะสุดท้ายก็ทํำยังไงรู้ไหมก็โกรธมากเลยนะโกรธมากที่ทํายังไงก็ไม่สําเร็จสนามยาแกก็มันไม่สวยเลยมันตะปุ่มตะป่ํานะเป็นรอยเป็นแนวไปทั่วแกโกรธมากแกเป็นกังวลมาก สุดท้ายแกก็ใช้วิธีเด็ดขาด น, นะจา ก, กำจัดตุ่นให้ได้ก็ใช้วิธีเนี่ยพ่นไฟเข้าไปนะในรูในรูของตุ่นนะพ่นไฟเข้าไปก็ต้องฉีดน้ำมันคร บ, บ่อนแล้วก็แล้วก็จุดไฟนะเผารากว่าตุ่นก็ตายนะแต่สนามแย้าแกก็พังไปด้วยนะก็กลายเป็นว่า เพราะความรักความห่วงแหงสนามหญ้าเนี่ยกับกลายว่าแกเป็นคนทําลายสนามหญ้าเสียเองยิ่งรักยิ่งห่วงแหงมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็สามารถที่จะกลายเป็นคนทําลายสิ่งนั้นได้ดูเหมือนตรงกันข้ามนะแต่ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นอยู่บ่อยๆ ย, ยึดติดอะไรก็สามารถจะทำในสิ่งที่ตรงข้ามนะกับสิ่งที่ยึดติดได้อย่างเมื่อวานนี้ก็เล่าถึง พ่อที่เขารักลูกมากนะแล้วก็ยึดติดในความดีนะอยากจะให้ลูกเข้าวัดอยากให้ลูกเป็นคนธรรมะธรรมโมยอยากจะให้ลูกเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่แต่คนนี้พอลูกเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดไม่เป็นคนดีอย่างที่ตัวเองปรารถนาหรือว่าไม่ดีในตามแบบของตัวสุดท้ายเป็ น, นยังไงแกก็เอาปืนมายิงลูกตาย จากคนที่รักษาศีลหน้านะยุงไม่ตบไม่ตีนะกลับลงเอยด้วยการไปฆ่าลูกตัวเองแล้วสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายไอ้ความยึดติดนะแม้ยึดติดในความดีเนี่ยนะมันสามารถจะส่งผลทําให้ทําชั่วได้นะอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะยึดติดในสนามหญ้าก็อาจจะลงเอยด้วยการทําลายสนามหญ้าที่ตัวเองรัก ยากจะเลิกเล่าให้ได้นะสุดท้ายก็กลายเป็นว่ากินเล่าหนักขึ้นอันนี้เนี่ยมันเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือความยึดติดถือมัน่นพอยึดติดมาเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็สามารถจะทำในสิ่งตรงข้ามได้เพราะว่าเมื่อยึดติดแล้วมันไม่ได้อย่างที่ปรารถนามันก็จะเกิดความหงุดหิดความโมโหความเสียใจตรงนี้แหละที่มีโอกาสที่จะ เกิดความลืมตัวได้แล้วพอลืมตัวแล้วนะไอ้ตัวกิเลสอื่นๆมันก็เข้ามาได้อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยว่าเมื่อวานเนี่ยความรู้สึกตัวมันทําให้เกิดกุศลธรรมตามมาแต่ในทางตรงข้ามถ้าไม่รู้สึกตัวหรือหลงตัวแล้วนี่เอากุศลธรรมมันก็เข้ามาได้พอน้ําลดนี่นะหมดก็กินปลาแล้วเอกุศลธรรมนี่มันก็ไปเล่นงานตัวกุศลธรรม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันก็หายไปทําในสิ่งตรงข้ามนะียึดติดแม้กระทั่งความดีนะความดีมันกัดเจ้าของนะอันนี้จะพุท ธ, ธาธิว่านะท่านเลยถึงพูดว่าเนี่ยชั่วหรือดีก็อัปรีทั้งนั้นนะท่านพูดในความหมายที่เตือนคนให้ตัณหนักให้ระวังว่าอย่าไปยึดติดแม้กระทั่งความดีเพราะว่ามันก็สามารถจะทําให้เราตีกลับ สวิงกลับนะกลายเป็นทำชั่วได้ น, นี่เจอมาเยอะแล้วนะพวกยึดติดความดีแล้วกลายเป็นทำชั่วเนี่ยพวกที่ก่อการร้ายนะนะในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่พวกเก่งเมล์เลเกเรนะเป็นพวกที่เคร่งครัดในาศาสนาทําตามบทบัญญัติของาศาสนาอย่างเคร่งครัดนะแต่พอเห็นสิ่งรอบตัวเห็นผู้คน ทำตัวตรงข้ามกับความดีหรือว่าความเชื่อที่ตัวเองยึดถือว่าเป็นสิ่งดีงามเช่นเป็นพวกที่กินเหล้าเมายาเป็นพวกที่ลุ่มหลงทางเพศเป็นพวกเกยนะแต่งตัวไม่เรียบร้อยหมกมุ่นในกามพวกนี้นทนไม่ได้นะก็เลยจัดการฆ่าเลยนะก่อการร้ายให้มันให้มันจิบหายนะ จะได้เกิดสิ่งดีงามเกิดศีลธรรมกลับมาเนี่ยอยึดติดในความดีมันก็สามารถจะผลักทันให้คนเราทําชั่วได้อันนี้มันโยงถึงพวกเราด้วยเพราะว่าอพวกเรานี่ก็เป็นผู้ที่ฝ่ายทํำเวลาฝ่ายทําก็ดีแล้วนะแต่ว่าจะไปต้องระวังตัวจะไปยึดติดถือมั่นมากนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ย มีความโกรธมีความเกลียดนะคนที่ไม่ไม่ดีอย่างที่เราคิดนะไม่ดีอย่างที่เราอ่าเชื่อเนะสร็จแล้วเราก็สามารถจะทําไม่ดีกับเขาก็ได้ด่าว่าเขานะหรือว่าพอเขาไม่เป็นไม่ยอมไม่ทําตามเราก็ต้องพยายามหาทางเอาชนะเขาด้วยวิธีอื่นนะบางทีก็ใช้วิธีที่ชั่วร้ายนะกลั่นแกล้งเขาเนี่ยเพื่อให้เขานะ ไปจากเรากำจ่าเขาออกไปนะจะได้ไม่ไ ม, มาโรคหูโรคตาเนี่ยอันนี้ในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะลองสังเกตดูว่าเรานะีมีความยึดติดถือมั่นอะไรหรือเปล่านะส่วนใหญ่ก็มักจะยึดติดนะในความสงบอยากจะได้ความสงบเหลือเกินนะมาปฏิบัติก็มุ่งมาเพื่อเอาความสงบเต่ต้องระวังนะพอยึดติดในความสงบแล้วเนี่ย อยากจะได้เหลือเกินเนี่ยนะแล้วพอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่ต้องการนะมันจะเกิดความว้าวุ่นใจขึ้นมานะจะเกิดความหงุดหงิดจะเกิดความขุ่นเคืองสุดท้ายน ะ, ะเกิดความท้อนะจากคนที่ตั้งใจปฏิบัตินะกลายเป็นคนที่เลิกปฏิบัติไปเลยเพราะมันท้อแท้ ท้อแท้เพราะอะไรเพราะไม่ได้อย่างที่ต้องการนี่ยไอ้ความอยากพออยากมากๆเนี่ยและตั้งความอยากไว่สูงเนี่ยมันก็ผิดหวังง่ายนะพอผิดหวังง่ายเนี่ยมันก็ทําให้ท้อแท้แล้วก็เลิกปฏิบัติจากคนที่ตั้งใจปฏิบัติหูวเอาเต็มที่เลยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยปรากฏว่าทําได้ไม่กี่น้ําอ่ะเลิกเนี่ยบางทีอาจจได้แค่สามสี่วันหรือว่าสองสามอาทิตย์เลิกซะละ ยิ่งอยากมากๆเนี่ยมันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเลิกกลางคันหรือว่ายอมแพ้ ง, งนะ่ายๆในขณะที่คนที่เขาไม่ได้ทำด้วยความอยากเนี่ยนะเขาก็ทำสบายๆนะเขาก็ทำได้นานนะนักปฏิบัตินะบางคนอุตสาหเนี่ยโหตั้งใจจะมาบวชเนี่ยเพื่อจะบรรลุธรรมให้ได้มีความมุ่งมั่นมีความอยากมากนะแล้วพอทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่อยากเนะี่ย ไม่ได้ความสงบนะหรือว่าไม่เกิดปัญญารูปนามก็ไม่เห็นทายัางไงก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไอ้ความผิดหวังเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากตามระดับขั้นของความอยากหรือความยึดติดสุดท้ายไปถึงพรรษาเนี่ยก็สึกละนะบางคนตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตเอานิพพานให้ได้นะชานี้ต้องเอานิพพานให้ได้เมาด้วยความมุ่งมั่นด้วยไฟที่แหลงกล้า จะต้องบวชตลอดเนี่ยกล่าวว่าจะบวชตลอดชีวิตแล้วบวชได้แค่พรรษาเดียวก็สึกนะเพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่อยากมัน ม, มีความสึกผิดหวังมากนะคนที่มาด้วยความอยากอันนี้เนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าจากความเพียรนะมันจะกลายเป็นความท้อแล้วก็เลิกราไปในที่สุดถ่าไปแล้วเนี่ย ยิ่งต so, ิดยึดในความอยาก้ติดยึดในความสงบอยากจะได้ความสงบเนี่ยมันก็ทําให้การปฏิบัติเนี่ยกลายเป็นไม่สงบได้ง่ายนะยิ่งอยากสงบเนี่ยกลายเป็นว่าไม่สงบเพราะว่าพออยากสงบแล้วเนี่ยมันก็จะไปพยายามบังคับจิตพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดพยายามบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านพยายามบังคับจิตให้แนบแน่นอยู่กับกายแนบแน่นอยู่กับลมหายใจแนบแน่นอยู่กับมือแนบแน่นอยู่กับเท้าคือพยายามมัดมันเอาไว้ พอทำอย่างนี้นะจิตไม่สงบหรอกเพราะว่าจิตมันก็จะต่อต้านทันทีเลยจิตมันไม่ชอบถูกบังคับมันชอบอิสระนะแล้วเราก็ให้ให้อิสระเสรีกับมันมานานนะปล่อยอิสระเสรีมานานสาสิบปีสี่สบปีพอจะไปบังคับมันเนี่ยมันจะยอมที่ไหนมันก็สู้เลยนะมันก็สู้ทําให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดทําให้เกิดความรู้สึกกระวนกระวายขึ้นมาเป็นเพราะอะไรเพราะอยากสงบ นะจ็ตมันก็เลยว้าวุ่นได้ง่ายนะแล้วพอว้าวุ่นอย่างงี้นะในสุดก็ทําได้ไม่นานนะบางทีก็มีอาการบวดเมื่อยหน้ามืดปวดหัวแน่นหน้าอกนะตัวแข็งเนี่ยอาการทางกายมันมันฟ้องมันบอกว่าเนี่ยทำด้วยความอยากนะทําด้วยความยึดติดมันก็เลยเครียดง่าย นะยิ่งอยากสงบยิ่งไม่ได้ความสงบนะยิ่งจะติดในความสงบก็กลับได้ผลตรงข้ามคือความว้าวุ่นนะในจิตใจความเครียดตอนนั้นเนี่ยนะให้เวลาปฏิบัติเนี่ยนะก็ให้ลองนะลองปล่อยวางนะความความอยากนะอย่าไปอยากสงบนะจริงๆแล้วความอยากสงบเนี่ยมันทําให้จิตเราไม่อยู่กับปัจจุบันด้วยซ้ํามันทําให้จิตเราไปอยู่กับอนาคต เพราะว่าความสงบคือสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วพอจิตเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่เกิดเนี่นะนั่นแหละคือการที่ใจไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอนาคตมันผิดตั้งแต่แรกแล้วเมื่อมันผิดตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วมันจะเกิดผลดีได้ไดอย่างไรเหมือนกับเรากัดกระดุมอนะถ้าเรากัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกเนี่ยเม็ดที่สองเม็ดที่สามก็ผิดไปตลอดนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วผิดตั้งแต่เออ่ ก่อนที่จะยกมือสร้างจังหวะก่อนที่จะเดินจงกรมแล้วเพราะมาด้วยความอยากอยากจะสงบจิตมันไม่ไม่มันไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วมันไปอยู่กับอนาคตแล้วแล้วมันจะปฏิบัติถูกได้อย่างไรจะไม่มีทางรู้จักคำาความรู้สึกตัวนะเพราะว่าจิตมันไม่อยู่กับนึกกับตัวแล้วเนี่ยมันไปอยู่กับอนาคตประโยคภาพฝันความหวัง ซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นปฏิบัติธรรมเจริญสติมาต้องอยู่ของจริงสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคลอนแคลนขอควรพ่อพูดอาการเช่นนั้นไว้ทำรรเฉพาะหน้าคือแล้วคือกายกับใจนะทำเฉพาะหน้าก็คือการเคลื่อนไหวของกายเมื่อเรายกมือนะหรือว่าบางทีมันก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ พอใจลอยหน้าที่ยงแล้วก็คือเนี่ยมาเห็นตรงนี้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเห็นความจริงเห็นของจริงไอ้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันเป็นของจริงไปไม่ได้สิ่งที่เป็นอดีตมันก็ผ่านไปแล้วมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ความจริงแล้วมันอาจจะเคยเป็นความจริงมาก่อนแต่เมื่อมันเป็นอดีตมันก็ไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคืออนาคตที่เราสร้างภาพเอาไว้ มันยังไม่เกิดขึ้นมันก็เป็นความจริงไม่ได้สิ่งที่เป็นความจริงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจในปัจจุบันนะการเจริญเสกก็คือมาดูนะมารับรู้นะมาเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความสงบแรงตางเนี่ยนะเมื่อเราจะปฏิบัติทั้งทีก็วางซะก่อนจริงอยู่เรามาที่นี่เพื่อหวังความสงบแต่พอเริ่มลงมือปฏิบัติทันทีที่ลงมือปฏิบัติก็วางมางันลงนะ แล้วอยู่กับเนื้อกับตัวนะอยู่กับความจริงอยู่ของจริงที่กําลังแสดงตัวให้เราเห็นอยู่เฉพาะหน้าเมื่อมือเคลื่อนไหวนะมันก็ต้องรู้สึกนะเพราะนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อเมื่อมันเกิดขึ้นหน้าที่ขอเราคือแค่เห็นเฉยเฉยนะไม่ต้องไปยึดมันได้ซ้ํายึดติดในปัจจุบันก็ไม่ถูกนะ บางคนไม่เข้าใจว่าให้วางอดีตวางอนาคตแล้วไปยึดติดปัจจุบันมันไม่ถูกแม้ปัจจุบันก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องยึดติดแค่ดูเฉยเฉยพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระนันทิยะนะว่าให้ปล่อยวางข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางหมายความว่าอะไรหมายว่าปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้ยึดติดปัจจุบันแต่ทิ้งอดีตอนาคตนะไม่ใช่ แม้ปัจจุบันก็วางอารมณ์ที่ไปปัจจุบันเนี่ยจะเป็นความหงุดหงิดขุนเคืองที่เกิดขึ้นนะอันนี้มันเป็นของจริงที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็รู้ก็ดูมันเฉยๆความปวดความเมื่อยที่มันเกิดขึ้นนี่ก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันนะเราหน้าหน้าที่ของเราก็คือดูมันเฉยๆรู้มันเฉยๆนะถ้าเราไปยึดมันเมื่อไหร่นะก็จะทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ที่กายเท่านั้นนะทุกข์ที่ใจด้วย มันก็น่าแปลกนะความปวดความเมื่อเราไม่ชอบนะแต่ก็อดยึดมันไม่ได้ทั้งที่ไม่ชอบนี่แหละแต่พอไม่ชอบนี่แหละก็ทำให้เกิดการยึดติดอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยเราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเนเะสียงดังไม่ชอบแต่ทันทีที่เราผลักไสมันนะใจก็ไปยึดติดเลยจดจ่ออยู่กับเสียงดังนั่นแหลนะ ยิ่งผักใสก็ยิ่งยึดติดนะอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะที่เราควรสังเกตเอาไว้อันนี้กลับมาเรื่องการการปฏิบัติเนี่ยเมือม่อเมื่อเราก็ตามที่เรามีความยึดติดในความสงบเนี่ยให้ให้วางให้วางมาลงเวลาปฏิบัติให้อย่าไปอย่าไปอย่าไปมัวแต่ไม่เพียงแต่รู้ทันนะใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งไปต่างๆเท่านั้นนะ ต้องสาวให้ต้องรู้ทันแม้กระทั่งไอ้สิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังนะก็คือความอยากสงบความอยากสงบเนี่ยบางทีมันซ่อนอยู่เบื้องหลังนะการปฏิบัติของผู้คนเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วก็เลยไม่สงบสักทีเพราะว่าจิตมันไม่เป็นปกตินะไอ้ความอยากเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมันก็ทำให้เราพยายามไปบังคับจิต ในเพราะฉะนั้นจิตไม่เปปกติไม่ปไม่เป็นปกติแล้วความรู้สึกตัวก็ดีความสงบก็เกิดขึ้นได้ยากหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะท่านจะบอกผู้ที่ปฏิบัติใหม่ใหม่ไว้ทำเล่นๆทำเล่นๆทำเล่นๆแปลว่ามันจะฟุง้งก็ไม่เป็นไรนะมันจะเลอมันจะหลงไปบ้างไม่เป็นไรนะก็แค่ดูมันเฉยๆแค่รู้ นะแต่ถ้าทําด้วยความอยากทําด้วยความยึดติดในความสงบเนี่ยนะพอมันฟุ้งก็จะหงุดหงิดขึ้นมาทันทนะีมันมีความไม่ชอบขึ้นมาทันทีมันเกิดโทสะขึ้นมาทันทีนะและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นความไม่สงบแต่ถ้าเราท่องคาถาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเวลาเราทําเล่นๆ เ, เนี่ยเช่นเล่นบอลเนี่ยนะหรือเล่นหมากรุกเล่นหมากลูกเนี่ยทําเล่นๆแพ้ก็ไม่เป็นไร เราก็ทำใหม่เล่นใหม่อย่างถ้าเราเอาท่าทีเนี่ยนะทำเล่นๆมาใช้อาการปฏิบัติเนี่ยบางทีกลับได้ความสงบเร็วได้สติได้ความรู้สึกตัวได้เร็วกว่าได้ซ้าไม่อยากกลับได้แต่พออยากกลับไม่ได้เมื่อคนที่อยากจะเ่งถึงเร็วๆอยากถึงที่หมายเร็วๆกลับถึงช้า รถที่พยายามไปให้ถึงที่หมายเร็วๆเนี่ยนะเหยียบร้อยเหยียบร้อยห้าสิบเหยียบสองร้อยเนี่ยบางทีไม่ถึงนะแหกโค้งหรือว่าไปชนกับสิบล้อนะยิ่งอยากให้ถึงเร็วๆกลับถึงช้าไอ้คนที่ไม่อยากให้ถึงเร็วๆคือไปสบายๆกลับถึงเร็วกว่านะสังเกตไหมบางทีมัน เป็นความรู้สึกด้วยนะยิ่งอยากให้ถึงไวๆเนี่ยก็จะยิ่งเสวอไม่ถึงสักทีไม่ถึงสักทีไม่ถึงสักทีนะความรู้สึกว่ามันช้าหลือเกิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะอยากใหถึงไวๆแต่พอไม่มีความอยากให้ถึงไวๆนะหรือว่าวางความอยากนะไม่ยึดติดว่าจะต้องไปให้ถึงที่หมายเท่านั้นเท่านี้นะในเวลากี่ชั่วโมงนะกลับรู้สึกว่าเออมันถึงเร็วแฮนะนและบางทีมันถึงเร็วจริงๆนะเพราะว่า พอขับไปสบายๆอุบัติเหตุก็ไม่เกิดยางก็ไม่แตกถึงที่หมายเร e w w AH. ็วกว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะลองสำรวจจิตใจเรามันมีความยึดติดอะไรหรือเปล่าความอยากก็เป็นความยึดติดอย่างหนึ่งนะซึ่งมันทำให้มันมักจะทำให้เกิดผลตรงกันข้ามอยากให้ได้อยากได้ความสงบยึดติดในความสงบก็กลับให้สงบนะอยากถึงไวๆ ยึดติดในจุดหมายปลายทางในความคาดหวังจะต้องถึงให้ได้ภายในเวลาครึ่งชั่วโมง ก, กลับใช้เวลาเป็นชั่วโมงยึดติดในความดีบางทีกลับส่งผลทาให้ทำชั่วได้ซ้ำลองพิจารณาดูชาีิพนธ์ธนินทนะกลับหรัง